เรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่131โดยดังตรินถามเริ่มเข้าใจว่าทำไมคนถึงอยากใช้สยศาตร์เป็นทางลัดกันตอนเนี้ยอยากคืนดีกับแฟนเก่ามากเหมือนใจจะขาดให้ได้พยายามเปิดใจรับคนอื่นก็ไม่สำเร็จพอรู้สึกเกือบๆจะชอบใครขึ้นมาพอดูหน้าเขาอย่างคิดว่าตกลงเป็นแฟนดีไหมก็รู้สึกอ่อเหี่ยวหมดความใยดีไม่อยากแม้แต่มองหน้า แถมเมื่อเจอหนังสือที่บอกวิธีทำคุณใสให้คนหลงรักก็นึกถึงแฟนเก่าทันทีแต่ก็กลัวเพราะเชื่อแล้วว่าวิบากกรรมมีเหมือนที่คุณดังตรินเคยบอกว่าถ้าใช้ไสยศาสตร์จะทำให้อยู่กับโลกมือดอย่างเป็นทุกข์แม้ข้างนอกดูเหมือนสุขใจก็ดาอยู่ตลอดคำถามคือถ้าเราอยากได้แฟนกลับมาจริงๆ จ, จะมีกรรมอันเป็นกุศลแบบไหนต้องไปทาบุญกับพระวัดใดจึงไม่ผิดกฎแห่งกรรม และได้ชื่อว่าเอาเขากลับมาด้วยบุญไม่ใช่ด้วยบาปกรุณาอย่าบอกให้ทําใจเพราะพยายามแล้วแต่ทําไม่ได้จริงๆตอบทำตัวเองเป็นอันดับแรกนะครับว่าถ้าได้เขากลับมาแล้วเกิดได้พอใจกันอีกก็ต้องเจ็บปวดอีกจากกันอีกและจะต้องวนเวียนอยู่กับวงจร อ, อยากได้เขาคืนซ้ําแล้วซ้ําเล่าใช่ไหมได้คําตอบอย่างไร ให้ถามตัวเองอีกข้อว่าถ้าได้เขากลับมาและคุณจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างดีขึ้นชนิดที่เขาจะไม่ระอาและคุณก็จะเต็มใจทำไม่เลิกคุณนึกถึงวิธีการดีๆที่จะรักษาเขาไว้ได้กี่ข้อได้คำตอบอยังไรให้ถามตัวเองอีกนิดว่าถ้าได้เขากลับมาและคุณจะรักษาความรู้สึกของตัวเองท่าไหนแบบที่แน่ใจว่าคุณจะไม่กลับเหนื่อยหน่ายเสยเอง ด้วยเหตุที่ต้องเป็นฝ่ายออกแรงรักษาเขาไว้ต้องเอาใจเขาตามต้องการทุกเรื่องนึกวาดภาพไปเป็นข้อข้อนะครับความคุ้นเคยในอดีตระหว่างกันคงทำให้จินตนาการของคุณแจ่มชัดพอที่ผมตั้งโจทย์ให้คุณถามใจตัวเองเช่นเนี้ไม่ใช่เรื่องของการทำใจแต่เป็นการถามใจตัวเองเพื่อสร้างจินตนาการหักลบหักล้างจินตนาการเดิมๆ เ, เสียบ้าง คนที่โหยหาอาวบนคนรักเก่านะครับเหตุผลเหมือนกันหมดแหละคือโดนภาพความทรงจำด้านดีหลายๆฉ า, ากหล า, หลายเหตุการณ์เล่นงานเอาตามหลักธรรมชาติง่ายๆที่ว่าถ้าไม่เป็นสุขบ้างใจคงไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ทำให้เป็นสุขคงอยากสลัดทิ้งกันหมดทีนี้เมื่อคุณสมมุติให้หลุดจากความฝักใยเพ้อหาถามใจตัวเองตามจริงว่าถ้าได้เขากลับมาจะเกิดอะไรขึ้น จินตนาการก็จะแตกต่างไปอย่างน้อยเรื่องเก่าๆที่เคยระหองระแหงเคยชินชินเบื่อเบื่อก็ต้องย้อนกลับมาบ้างถึงตรงนั้นแม้ดวงจิตยังไม่สงบลงก็คงลดความอยากได้คืนท่าเดียวไม่มากก็น้อยตามหลักธรรมชาติที่ว่าถ้าไม่เป็นทุกข์บ้างใจก็คงไม่อยากทิ้งว้างสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์เลยคงหวงไว้หมดสถานการณ์อย่างคุณนะครับ บุญข้อแรกที่ต้องระลึกถึงเลยก็คือการพยายามตั้งสติถ้าตั้งสติได้ขณะกำลังจะขาดสติอยู่ร่อแรกไม่แพ้กิเลสและเห็นกิเลสเป็นเพียงคลื่นรบกวนที่ต้องแปรปรวนไปก็ขอให้จำไว้เถิดว่าเกิดบุญใหญ่จะยิ่งกว่าทำสังฆทานเจ็ดวัดด้วยจิตเศร้าหมองเป็นไหนไหนอันที่จริงการที่คุณรู้จักธรรมะกลัวบาปกลัวกรรมและยังคิดได้แม้เจอทางลัดอันดำมืด ก็สะท้อนในตัวเองว่าคุณมีสติอยู่กับตัวเท่านี้ก็แสดงแล้วว่าสติในธรรมนี่แหละสมบัติสำคัญสูงสุดที่ฉุดรั้งคุณไว้ได้ขณะชีวิตกำลังทำท่าจะดิ่งลงเหวข่าวหน้าหนึ่งในหลายช่วงปีที่ผ่านมาเต็ไมไปด้วยคดีอ้อนวอนคนเก่าไม่สำเร็จและลงเอยด้วยการเชื่อดกันคนตายก็ตายด้วยความเกลียดกลัวคนอยู่ก็อยู่ด้วยความน้อยใจคลัาเครียดนั่นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ ขาสติสติของคุณยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่าการเป็นเครื่องฉุดให้รอดจากก้นเหวเพราะสติที่มีกําลังมากพอแล้วสามารถผลักดันให้คุณขึ้นฟ้าชั้นไหนก็สุดแต่จะปรารถนาผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าถ้าจะเอาเขาคืนมาด้วยทางสว่างก่อนอื่นสติของคุณต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะตามธรรมชาติของกระแสะจิตนะครับยิ่งคุณกระวนกระวายปั่นป่วน อยากได้คืนมากขึ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับยิ่งส่งคลื่นรบกวนไปเบียดเบียนแฟนเก่ามากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะขณะอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังการที่คุณปั่นป่วนรันจวนใจทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเนี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าส่งคลื่นกระทบอันเป็นลบออกไปมาหาสารปานไหนเอาเป็นว่าพอเขานึกถึงคุณขึ้นมาเมื่อใดนะครับเขาจะนึกถึงความน่าอึดอัดความน่าราคาญ หรือไม่ก็ความเร่าร้อนที่ชวนให้เป็นทุกข์ไม่น่านึกสนุกอยากกลับมาใกล้คุณเลยนั่นแปลชัดครับว่าความอยากดึงดูดเขากลับมากลายเป็นแรงผักไสเขาออกห่างไปอีกโดยคุณไม่ทันรู้ตัวเมื่อใจคุณสงบลงได้ก็ขอให้เริ่มตระเวนทำบุญแบบครบวงจรตั้งต้นที่ไหนก็ได้อย่าไปเกี่ยงเช่นกินข้าวในร้านใดเสร็จเห็นเหลือกระดูกไก่ ก็เอาใส่ถุงไปหาหมาแมวข้างถนนให้พวกมันดีใจที่คุณให้แทะเล่นเปิดตู้เสื้อผ้ามาเห็นชุดไหนเก่าไม่ใช้แล้วก็อย่าห่วงไว้สถานที่รับบริจาคเสื้อผ้าเพื่อคนอนาถามีอยู่ทั่วไปเสาอาทิตย์ไหนว่างๆก็อย่าปล่อยให้ใจเฉาลูกจากที่นอนไปใส่บาตรแต่เช้าตรู่หาเครื่องใช้สําหรับพระใส่ถังเพื่อถวายเป็นสังฆทานสักหน่อยอะไรก็ได้ครับ ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเยอะๆแต่ลงทุนเป็นใจเต็มๆแต่ละครั้งเมื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นขอให้เช็คจิตของตัวเองว่าเป็นสุขแค่ไหนแล้วถามตัวเองทุกครั้งว่าถ้ามีแฟนเก่าอยู่ด้วยในขณะทำบุญด้วยกันคุณจะเป็นสุขเท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่านั้นอ่านดีๆฟังดีๆแล้วลองทำตามนะครับถ้าทาได้ก็คืออุปเทควิธีแผ่เมตตาไปถึงเขานั่นเอง ยิ่งคุณรู้สึกว่าเป็นสุขกับการทำบุญและนึกถึงเขาในทางดีมากขึ้นเท่าใดกระแสจิตของคุณก็จะยิ่งแผ่ซ่านเป็นความเยือกเย็นไปถึงเขาได้มากขึ้นเท่านั้นจิตนั่นแหละเป็นเครื่องเช็คความก้าวหน้าได้หากสว่างออกมาจากกลางใจใจโล่งสบายและขยายขอบเขตความโล่งสบายมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งหลุดจากกรอบของความอยากอันคับแคบก็ขอให้เชื่อในระดับหนึ่งว่า ถ้าเขานึกถึงคุณตัวคุณที่ปรากฏต่อใจเขาจะสว่างน่าคิดถึงและน่าอยู่ใกล้ขึ้นกว่าเดิมอย่างอักโขมาโหรานที่เหลือเป็นเรื่องของความลงตัวแล้วนะครับถ้ามีเหตุปัจจัยสมควรกลับมาอยู่ด้วยกันอีกก็คงได้อยู่แต่หากเหตุปัจจัยไม่พอแม้ไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกผมก็เชื่อว่าคุณคงเห็นทางสว่าง ก, กับการมีชีวิตใหม่อิ่มเต็มพร้อมจะทิ้งชีวิตเก่าที่หิวโหวยไปได้แล้ว แต่เพี o งคนหาที่เห็นเป็นจะตายิที่รผู้คนอเคยนใจยังสับสนกัหามากายวมเกัได้ไงสิ่งที่เจอ